บทที่25หวันเกิดโยมสุนีนายสมชายขับรถตู้ที่ครูสริดและครอบครัวบริจาคไว้เมื่อหลายปีก่อนนำท่านพระครูและพระภิกษุวัดป่ามะม่วงอีกแปดรูปมาถึงบ้านงานเวลาสิบนาฬิกาได้เวลาเจริญพระพุทธมนต์พอดี หงพ่อสวดธรรมจักด้วยนะคะวันนี้วันเกิดหนูครบรอบสี่รอบโยมสุนีกราบเรียนท่านพระครูอย่างคุ้นเคยทั้งที่เพิ่งเห็นท่านเพียงครั้งเดียวเมื่อวันไปนิมนต์โยมหน่ารือสี่รอบอัตมาดูหน้านึกว่าสามรอบท่านพูดความจริงเพราะโยมสุนีเป็นคนร่างเล็กจึงดูไม่แก่ตามอายุ แมหลวงพ่อพูดแบบนี้หนูดีใจแย่เลยยิ่งไม่อยากจะแก่อยู่ด้วยแล้วหลวงพ่อราคะอายุเท่าไรแล้วโยมคิดว่าเท่าไรละ่ะท่านย้อนถามหนูว่าหลวงพ่อน่าจะหนุ่มกว่าอายุจริงท่านพระครูรู้สึกว่าใจโฟฟ้ฟองเมื่อได้รับคําชมแต่ชั่วประเดี๋ยวเดียวกลับฟุบแฟบ เ, เมื่อเธอตอบว่า เพราะฉะนั้นหนูขอตอบว่าหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบแต่หนูยังดูเหมือนหกสิบกว่ากว่าหนูทายถูกหรือเปล่าคะโยมทายผิดซะแล้วละผิดมากๆด้วยแบบนี้หลวงพ่อท่านต้องเสียใจจนฉันไม่ลงแน่เลยพระบุญเฮียวซึ่งนั่งอยู่เป็นรูปที่สามถัดจากพระมหาบุญพูดขึ้นอย่างนึกสงสารพระอุปชาเป็นกำลัง ส่วนพระมหาบุญอมยิ้มนิดนิดเหมือนยิ้มเยาะท่านสมภารได้เวลาเจริญพระพุทธมนต์แล้วโยมเป็นประธานใช่ไหมเชิญจุดถูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็เชิญชวนญาติโยมบูชาพระกราบพระแล้วก็อาราธนาศีลตามลำดับท่านพระครูพูดตัดบทโดยไม่ต้องการจะตอบคำถาม แต่โยมสุนีก็ยังไม่หายคลองใจจึงพูดกับพระโบเฮียว่าแสดงว่าท่านอายุยังไม่ถึงห0สิบหรอคะไม่น่าเป็นไปได้เอาเอโยมอายุเป็นเพียงตัวเลขอาตมาอายุเท่าไรก็ไม่สำคัญที่สำคัญคือได้เวลาเจริญพระพุทธมนต์แล้วขอให้โยมจุดถูกเทียนได้แล้วโยมสุนีจึงเดินเข้าไปที่โต๊ะหมู่บูชาพระ ซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของท่านพลระครูสามีของเธอทําหน้าที่เป็นพิธีกรจุดเทียนชนวนเตรียมไว้ให้ภรรยาโยมสุนีกราพระรัตนตรัยสามครั้งและจึงรับเทียนชนวนจากพิธีกรด้วยมือขวาจุดเทียนเล่มที่อยู่ด้านซ้ายมือของเธอก่อนแล้วก็จุดเล่มที่อยู่ด้านหน้าขวามือจากนั้นจึงจุดธูปสามดอกเรียงจากซ้ายไปขวา ยื่นเทียนชนวนให้พิธีกรแล้วกราบอีกสามครั้งพิธีกรดับเทียนชนวนโดยใช้มือโบกจากนั้นจึงนำบูชาพระกราบพระและรัตนาศีลธรรมครูซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงให้ศีลเสร็จแล้วภิกษุทั้ง9รูปก็จเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรหรือที่มีชื่อเรียกเต็มว่าธรรมจักกับวัฒนสูตร อันเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่นักบวชหรูปที่ป่าอิสิปตนะมรุกะทยวันแขวงเมืองพารณสีเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนเวลาผ่านไปอีก45นาทีการเจริญพระพุทธมนตร์ซึ่งประกอบด้วยบทธรรมจักเต็มสูตรและเจ็ดตำนานเต็มสูตรบ้างย่อบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาก็สิ้นสุดลงแม่ครัวนำอาหารมาเทียบโดยแบ่งเป็นสามวงท่านพระครูชั้นรูปเดียวหนึ่งวงส่วนพระภิกษุอีก8ดรูปแบ่งเป็นวงละสีรูปพิธีกรซึ่งเป็นสามีของโยมสุนีนำกล่าวถวายพัฒหารท่านพระครูรู้สึกคุ้นหน้ากับผู้ที่มาร่วมงานหลายคน หากท่านก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นบุคคลเหล่านี้ที่ไหนกระนั้นก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนได้เข้ามาอยู่ในท่ามกลางหมู่ญาติเขาอาจจะเคยเป็นญาติกับเรามาแต่ครั้งอดีตชาติก็ได้เพราะวะัฏจักรชีวิตยาวไกลหาจุดจบไม่ได้ท่านคิดในใจเมื่อพิธีกรนำกล่าวถวายพระหารแล้วเจ้าภาพผู้มาร่วมงานก็ช่วยกันประเคน ท่านพระครูพิจารณาอาหารแล้วก็ลงมือชันเมื่อรสชาติของอาหารสัมผัสลิ้นท่านก็กำหนดรสหนอกระนั้นความรู้สึกคุ้นเคยก็ยังตามมารบ ก, กวนรสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ท่านเคยสัมผัสมาก่อนหากก็นึกไม่ออกว่าที่ไหนเมื่อไรเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายที่มักฝังใจกับชีวิตวัยเด็กเคยได้กินอะไรแล้วชอบก็จะติดใจ เก็บไว้ในความทรงจําท่านพระครูก็เช่นเดียวกันแม้บัตรนี้ท่านได้เข้าสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าหากความเคยชินสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ยังไม่ลบเลือนหายไปท่านจึงฉันได้หลายคำทําให้การคาดคะเนของพระบัวเหียวที่ว่าท่านจะเสียใจจนฉันไม่ลงนั้นผิดไปถนัดชัดเจน พระสูทั้ง9ก้ารูปฉันพัฒหารเสร็จแล้วกำลังจะให้พรโยมสุนีก็นำภาพถ่ายของบิดามาให้ท่านพระครูช่วยบังสุกูลให้ทันทีทันทีที่สายตาสัมผัสกับสายตาของบรลุษในภาพถ่ายเรื่องราวในอดีตก็ปรากฏแจ่มชัดขึ้นในมโนนึกนี่โยมหมั่นใช่ไหมท่านถามอย่างมั่นใจทำไมหลวงพ่อรู้จัก โยมสุนีย้อนถามก็ทำไมอาตมาจะไม่รู้จักล่ะโยมหมั่นนี่แหละที่ช่วยชีวิตอาตมาไว้อาตมาไม่เคยลืมอ๋อโยมก็คือเด็กหญิงสุนีจอมแกนเมื่อสี่สิบปีก่อนใช่ไหมละ่ะอ้าวนี่แม่พันนั่นเจ้ใหญ่ที่หุงข้าวให้อาตมากินทึ่งว่าสิ อาตมาฉันไปตั้งเยอะเพราะคุ้นๆว่ารสชาติแบบนี้เราเคยได้ ก, กินที่ไหนมาก่อนไปๆไปมาๆก็มาบรรจบพบกันอีกโลกกลมจริงๆนายโยมนะท่านพูดกับแม่ผันซึ่งนั่งติดกับเจ้ใหญ่แม่พันดูแก่มากจนจำไม่ได้ในตอนแรกงั้นท่านก็คืออาติ ที่เตียพามานอนรักษาตัวที่กระท่อมเรานาะสิเจ้ใหญ่พูดขึ้นข้างฝ่ายโยมสุนีพูดเสียงดังกว่าเพื่อนว่าจำได้แล้วจำได้แล้วท่านนี่เองที่เตียบอกว่าถูกไอ้พวกเด็กวัตโนดซ้อมจนสลบแถมยังแทงซ้ำอีกด้วยนี่ถ้าเตียไม่ไปพบเข้าพอดีรับรองเป็นศพลอยน้ำขึ้นเอิดอยู่กลางคลองบางแวกแน่ เสียงของโยมสุนีทำให้แขกเหลือที่มาร่วมงานพยายามเบียดกันเข้ามานั่งเบื้องหน้าท่านพระครูเพื่อจะฟังเรื่องราวที่สนุกตื่นเต้นกว่าในหนังกลางแปลงท่านพระครูรีบโบกมือห้ามพักไว้ก่อนโยมรับพรกันก่อนแล้วค่อยคุยต่อรับพรแล้วจะได้บังสกุลให้กับโยมมันแล้วก็โยมผันผูให้ชีวิตใหม่กับอาตมา อาตามาจะเด็กถือโอกาสตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยท่านตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลผ ล, ลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ก่อกอบมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้กับโยมหมันและภรรยาเพราะหากไม่ได้โยมหมันวันนี้สำหรับท่านก็คงไม่มีเป็นแน่แท้ด้วยเหตุนี้ทั้งเจ้าภาพและแขกเกลือก็ต้องอดใจรอกระทั่งพิธีทาบุญเสร็จ ท่านพระครูถามคนเป็นเช่าภาพว่าโยมสุนีนี่เป็นการทําบุญเนื่องในโอกาสอะไรกันแน่ตอนไปนิมนต์อัตมาบอกว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่พอจะเจริญพระพุทธมนต์ก็บอกว่าเป็นวันเกิดพอเสร็จกอกไกลเป็นทําบุญบังสกุลไหกเตียตกลงจะเอายังไงกันแน่ก็ทั้งสามอย่างนั่นแลหละค่ะหลวงพ่อเอน่าจะเรียกว่าหลวงพี่มากกว่า เพราะจำได้ว่าท่านแก่กว่าหนูสิบปีตอนนั้นท่านอายุสิบแปดหนูอายุแปดขวบแต่ทาไมตอนนี้ท่านถึงดูเหมือนว่าแก่กว่าหนูตั้งยี่สิบปีงั้นเรียกหลวงพ่อดีกว่าเธอพูดเองเออเองเสร็จไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้และติดครองบางอ้อยยังมีคนอยู่หรือเปล่าท่านถามความเป็นมา และความเป็นไปของครอบครัวโยมมันไม่สนใจเรื่องข้อขอดว่าดูแก่กว่าอายุไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเพราะเตี่ยได้พาพวกเราไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ดอนเมืองเตี่ยบอกว่าขืนอยู่ที่คลองบางอ้อยก็คงต้องจนไปจนตายเพราะทำมาหากินไม่สะดวกอีกอย่างก็ต้องคอยรบรากับพวกนักเลงหัวไม้ทั้งหลาย เตี๋ยวหนูเป็นนักเลงหัวหมอเวลาพวกนักเลงหัวไม้มายืนด่าหน้าบ้านเตี๋ยก็จะนั่งฟังมันด่าอยู่ในบ้านไม่ออกไปประจันหน้ากับมันพอพวกมันด่าจนเมื่อยปากแล้วก็พากันกลับไปเองวันหลังพอเจอกันอีกพวกมันก็จะอายเตี๋ยไปเองเพราะทั้งวางมีเตี๋ยคนเดียวเท่านั้นที่สามารถนั่งฟังคนมาด่าได้ ถ้าเป็นคนอื่นก็จะออกไปราวีกับมันทุกรายแต่บางทีเตี๋ยก็ยั่วมันเหมือนกันโยมสุนีเล่าเสียงดังฟังชัดยั่วยังไงล่ะท่านพระครูถามก็เวลาเจอมันกลางตลาดเตี๋ยก็จะทักทายปราใสกับมันเป็นอย่างดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลงท้ายโดยการสั่งว่าที่ด่ากองทิ้งไว้หน้ากระท่อมอ้วนะช่วยเก็บออกไปด้วย แล้วคนด่าเขาว่ายังไงล่ะโยมคราวนี้คนถามคือพระบุเฮียวก็ไม่เห็นว่ายังไงนี่คะโยมสุนีตอบแล้วคุณโยมรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ว่ายังไงพระเชื้อสายโยนเริ่มโยนที่รู้พระโยมไปกับเตียนะสิ โยมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันทำอะไรเตี่ยโยมจะช่วยเตี่ยจะสู้ยิบตาเลยแต่มันคงกลัวโยมเลยไม่กล้าต่อล้อต่อเทียงโยมสุนิถือโอกาสคุยทับ พ, พระยวนพูดแทนตัวเองว่าโยมแทนที่จะเป็นหนูเหมือนกับที่พูดกับท่านพระครูโยมตัวเล็กๆอย่างเนี้ยเขาจะกลัวหรือขนาดอายุสีรอบอย่างตัวเท่านี้ และตอนอายุสิบขวบมีเล็กกว่านี้อีกหรืพระบวัวเหียวยังไม่ยอมแพ้ถึงเล็กก็เล็กพี่กีนหนูค่ะท่านอย่าเพิ่งดูถูกไม่เชื่อถามหลวงพ่อดูก็ได้ว่าทั้งครองบางอ้อยนะ่ะมีใครแก่นแก้วเท่าเด็กหญิงสุนีแท่ตั้งบ้างท่านพระครูรีบเป็นพยานให้ว่าไม่มีรอกบวัวเหียวคนเนี่ยเขาเก่งที่สุดในครองบ้านอ้อย ตั้งแต่ต้นคลองถึงท้ายคลองไม่มีใครแกนแก้วเท่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้โยมก็มีพี่สาวตั้งหลายคนท่าทางเรียบร้อยทำไมถึงไม่เหมือนพี่ๆละ่ะพระยวนตั้งข้อสงสัยเจ๊ใหญ่ยิงต้องอธิบายว่าเตี๋ยเขาอยากมีลูกชายแต่พอแม่ตั้งท้องเทไรก็ออกมาเป็นผู้หญิงทุกทีจนเตี๋ยชักจะหมดหวัง แต่พอตั้งท้องสุนีแม่แพ้ท้องผิดกว่าท้องอื่นๆเตียก็เลยหมายมั่นว่าท้องเนี้ยต้องได้ลูกชายแน่พอออกมาเป็นผู้หญิงอีกเตียก็เลยเลี้ยงสุนีแบบเด็กผู้ชายจนมีน้องผู้ชายอีกสามคนเตียก็ยังคิดว่าสุนีเป็นเด็กผู้ชายพูดก็พูดเถอะน้องผู้ชายสามคนยังสนน้อยกว่าสุนีเลยหายข้องใจหรือยังคะหลวงพี่ โยมสุนีถามพระบัวเหียวอย่างตั้งใจยวนเต็มที่ก็ยังไม่หายหรอกแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ข้องใจคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวพระยวนตอบเจสสุนีฉันอยากฟังเรื่องที่เจ้เล่า ว, ว่าหลวงพ่อถูกลูกศิษย์วัดรุมซ้อมแล้วทำไมถึงทึงรอดมาได้ละ่ะโยมคนหนึ่งถามขึ้น โยมสุนีจึงถือโอกาสเล่าเรื่องราวแต่หนหลังครั้งที่ท่านพระครูยังเป็นขา้ารหัดได้อาศัยอยู่ที่บ้านของหลวงธาราและคุณหญิงห่วงตามที่เตียของเธอเล่าให้ฟังเมื่อครั้งกระโ น, น้นทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังเพราะนานทีปีหนจึงจะได้ยินเรื่องราวที่โลดโผลตื่นเต้นอย่างนี้โยมสุนีใช้วิธีเล่าแบบภาคหนังคนฟังจึงเพลิดเพลิน แล้วก็รู้สึกสนุกสนานตามไปด้วยเมื่อเธอเล่าจบท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าที่อาตมารอดตายได้ก็เพราะเตียองโยมสุนีเข้าช่วยไว้ไม่งั้นคงตายหมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ่งไปแล้วทุกคนพากันหัวเราะเพราะคำในสำนวนการพูดของท่านเพราะฉะนั้น หลวงพ่อต้องมาบ้านนี้ทุกปีพระหนูตั้งใจว่าจะทำบุญวันเกิดทุกปีถือเป็นการทำบุญบ้านด้วยทำบุญบางสกุลให้เตี่ยด้วยนิมนต์ล่วงหน้าไว้เลยนะคะตกลงอาตมาขอรับนิมนต์เพราะเท่ากับอาตมาได้มาทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณต่ออาตมายกเว้นอาตมาอาพาธจนมาไม่ไว้หรือไม่ก็มรณะภาพ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขออนุญาตไม่มานโยมค่ะเฮีย ia, ช่วยเป็นพยานด้วยนะคะว่าหลวงพ่อจะมาทําบุญบ้านเราทุกปีเธอบอกสามีช่วยเป็นพยานไม่เห็นจะต้องเป็นพยานอะไรเลยพระย่อมไมโกหกอยู่แล้วจริงไหมจริงไหมครับท่านนายสารถถามท่านพระครูก็ไม่แน่หรอกเฮีย อาตมาเคยเจอพระโกหกมากมายท่านพระครูตอบ ย, ยิ้มยิ้มอย่างนั้นเขาไม่เรียกพระหรอกครับเขาเรียกว่าพวกโกนหัวหมผ้าเหลืองเพื่อตบตาชาวบ้านเท่าแก่ร้านทองตอบนสาโรธเป็นลูกชายแม่ทองใบซึ่งห้างทองแม่ทองใบนั้นเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วประเทศเพราะทองดีมีคุณภาพและราคาย่อมเยา ความที่โยมมมันแท้ตั้งเป็นคนดีโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์บุญกุศลจึงโดนบันดาลให้ลูกสาวลูกชายได้คู่ครองที่ไม่ดีแล้วก็มีฐานะกันทุกคนถูกแล้วอย่างลงตาวัตโนดที่ยุ้ให้เด็กวัดแทงหลวงพ่อนั้นนั่นก็ไม่ใช่พระหลวงพ่อรู้ไม่เข้าว่าแกตายยังไงหล่อนตั้งใจใช้คำว่าตายแทนมรณภาพและแก แทนท่านไม่ทราบท่านเป็นอะไรล่ะเป็นโรคลงแดงค่ะเพราะพอคนรู้ว่าแกทําร้ายหลานชายหลวงทาราคนก็พากันเสื่อมความนับถือไม่มีใครเอาปัจจัยมาถวายเพราะว่ากลัวแกจะเอาไปซื้อฝินสูบแกก็เลยลงแดงตายเพราะอดฟิน่นป่านนี้ก็คงนั่งสูบฝินอยู่ในเมืองนรกมั้ง เมืองนรกมีฝิ่นด้วยรืยโยมพระโบเฮียวขัดขึ้นถึงเวลานี้เมื่อได้ยินคำว่านรกท่านก็จะไม่หวั่นไหวใจสั่นอีกต่อไปเพราะได้ใช้กรรมที่จะนำไปนรกหมดสิ้นแล้วการที่ท่านขิดต้นสัต บ, บัญัจนศีรษะแตกเลือดไหลโซมไปครั้งนั้นเป็นการชดใช้กรรมที่ได้ฆ่าวัวฆ่าควายแม้ก่อนหน้านั้น ท่านจะสามารถเข้าผลสมาบัติได้และไม่ต้องชดใช้กรรมดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ปลอดโปร่งใจเท่ากับได้ชดใช้หากไม่ได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านเห็นจะต้องแบกบาปเดินทางไปปรโลโลกด้วยเป็นแน่แท้ไม่รู้เหมือนกัน ฉันก็ยังไม่เคยไปสักทีหลวงพี่ล่ะเคยไปหรือเปล่าเธอย้อนถามคราวนี้เปลี่ยนจัดโยมมาเป็นฉันเกือบเคยแต่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดคำตอบของพระบัวเยวทำให้ทุกคนตาลุกเพราะอยากรู้เรื่องก็จึงพากันซักถามเสียงอึง้งอื้ออาตมายังไม่ตอบเพราะเรื่องมันยาวใครอยากรู้ ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงแล้วอาตมาจะเล่าให้ฟังเข้ากี่วันคะพวกผู้หญิงถามขึ้นพร้อมกันเจ็ดวันแล้วอาตมาจะเล่าให้ฟังในวันที่เจ็ดสามวันไม่ได้หรอคะชะลา ง, งานได้แค่สามวันสตรีผู้หนึ่งต่อรองได้งั้นฉันชะลา ง, งานไปสามวันพูดอย่างยินดี ที่ว่าได้น่ะหมายถึงเข้ากรรมาฐานได้แต่ไม่ได้ฟังอาตมาเล่าถ้าจะฟังเล่าก็ต้องเจ็ดวันไม่ขาดไม่เกินโยมสุนีจึงตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้เจ๊จะไปเข้าและจะมาเล่าให้พวกเธอฟังดีดีแหมเจ๊นี่ยอดจริงจริงแต่เฮียไม่อยากฟังเธอเล่าเฮียจะไปเข้ากรรมาฐาน นายสาโรธพูดเพื่อเอาใจภรรยาความจริงแล้วเขาเกลียดพระและไม่คิดจะไปเข้ากรรมฐานให้เสียเวลาทำมาหากินเฮียให้ฉันไปก่อนสิถ้าไปพร้อมกันแล้วใครจะดูแลร้านเฮียก็ยังไม่ได้พูดนี่ว่าเฮียจะไปพร้อมกันเอาเธอให้เธอไปก่อนแล้วเฮียอยไปทีหลังเป็นผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงก่อนถูกไหมครับหลวงพ่อ เขาขอความเห็นจากท่านพระครูถูกแล้วต้องอย่างนั้น จ, จึงจะเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษท่านพระครูเออ อ, อห่อมกด้วยทั้งรู้ว่าเขาเกลียดพระเพราะท่านเป็นพระบรรดาแขเกเรือที่มาร่วมงานต่างพากันสนทนากับท่านพระครูและพระโบเฮียวจนลืมหิวฝ่ายพระมหาบุญกับพระภิกษุอีกหกรูปนั้น เมื่อไม่มีญาติโยมคุยด้วยจึงตั้งวงคุยกันเองเบาๆพอคลายความง่วงไปได้บ้างเพราะเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็ชักหย่อนตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยเที่ยงไปสองชั่วโมงคณะพระภิกษุจากวัดป่ามาม่วงจึงลายาติโยมกลับท่านพระครูรู้สึกปีติกว่าใครๆเพราะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณผู้ที่เคยช่วยชีวิตท่านไว เมื่อสี่สิบปีก่อนโน้นเมื่อท่านพระครูมาถึงกุฏิก็พบอาคันตุกะรออยู่เป็นพระพิสุหนึ่งรูปกับครืหัดอีกหนึ่งคนทั้งสองทำความเคารพท่านด้วยการกราบเบญจางข้าปดิษท่านพระครูมายังไงรอผมนานหรือเปล่าท่านเอ่ยทักพระครูอุดรเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และรู้จักกับท่านมาหลายปีแล้วผมมากับโยมเพิ่งมาถึงก่อนหน้าหลวงพี่สักสิบนาทีนี่เองท่านจะคุณให้ผมมานิมนต์หลวงพี่ไปเจริญพระพุทธมนตในงานทำบุญอายุครบเจ็ดรอบของพ่อตาในอำเภอที่ไหนเมื่อไรที่อำเภอเมืองจันทบุรีวันมารืนนี้หลวงพี่ว่างหรือเปล่าครับก่อนตอบ ท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกประจำวันขึ้นมาเปิดดูพรุ่งนี้ทหารจากกองทัพ บ, บกเข้ามาอบรมถ้าเป็นพรุ่งนี้ลราก็ไม่ว่างเพราะจะต้องเปิดอบรมให้เา้าวันมารือนว่างไปได้ดีจังครับไม่งั้นท่านเจ้าคุณคงผิดหวังแน่ท่านสั่งนักสั่งนาว่าให้หลวงพี่ไปให้ได้ทําไมท่านถึงมาสนใจผมเป็นพิเศษ ผมไม่ได้คุ้นเคยกับท่านซักเทา่าไรสมภารวัดป่ามะม่วงออกสงสยัยเจ้าวาท่านสนใจหลวงพี่ก็ไม่เชิงหรอกครับแต่ท่านสนใจของหลวงพี่ที่ครอบครองอยู่มากกว่าพระครูอุดรพูดเป็นในในของอะไรที่ผมครอบครองก็นารีผลยังไงละ่ะนารีผลหรือมักกะลีผลน่ะ ท่านขอร้องว่าให้หลวงพี่นำไปให้ท่านดูเป็นขวัญตาด้วยท่านทราบได้อย่างไรว่าผมมีสิ่งนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรแต่ผมอยากขอร้องให้หลวงพี่นำไปให้ท่านดูหน่อยท่านอยากเห็นมากเลยเอาใจท่านไว้ไม่เสียหลายนะครับหลวงพี่ข่าวว่าท่านชวนจะขึ้นเป็นชั้นราษแล้วเผื่อพวกเราจะได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองท่าน เป็นเจ้าคุณกับเข้าบ้างผู้อ่อนอาวุโสกว่าพูดเปิดทางให้หากท่านพระครูแห่งวัดป่ามะม่วงกลับพูดเสียงเรียบและหนักแน่นว่าผมไม่คิดจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองโดยวิธีนี้